การตายแบบปัจจุบันทันด่วนทำให้ต้องไปไม่ดีกันทุกคนใช่ไหมหากจะหมายถึงพวกที่มีอายุยังไม่ถึงอายุไขของคนร่วมสมัยเช่นสมัยนี้ประมาณ75ปีแต่ต้องตกตายไปเสียก่อนก็พอจำแนกตามกรรมเก่าและกรรมใหม่ได้ดังนี้ 1. ผู้ถูกกรรมประหาร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 พูดง่ายๆว่าถ้ากรรมใหม่เป็นไปในทางบุญมีจิตตั้งมั่นอยู่ในศรัทธาอันสว่างหากตายแบบปัจจุบันทันด่วนก็มีสิทธิ์ไปดีได้แต่หากเป็นพวกหัวแข็งเข้าข้างตัวเองอยากทำอะไรก็ทำหากตายแบบปัจจุบันทันด่วนก็มักไปร้ายกรรมเก่าที่บันดาลให้ด่วนตายในแบบนี้เช่นเพชคาตผู้ทำตามหน้าที่ เคยเป็นผู้ฆ่าที่ไม่มีน้ำจิตปรารถนาให้ผู้ถูกฆ่าต้องตกตายอย่างทรมานจะฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ไม่ใช่เพราะความขนองแต่เป็นไปด้วยเหตุจำเป็นเป็นตน้น 2. ผู้ถูกกรรมประหารโดยบีบคั้นจิตหมายถึงถูกกรรมเกา่าบีบให้ตายด้วยวิธีบีบจิต ให้เป็นอกุศลสถานเดียวแม้เหลือเวลาให้พยายามระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในนาทีสุดท้ายอย่างไรก็ตั้งจิตเป็นกุศลไม่ทันกรรมเก่าวที่บันดาลให้ด่วนตายในแบบนี้ก็เช่นเคยฆ่าผู้อื่นด้วยวิธีทำให้กลัวหรือปวดแสบปวดร้อนแม้กระทั่งจะฆ่ามดหรือมแมลงสาบในบ้านทุกครั้งก็ทารุณให้เกิดความทรมานก่อนตายเป็นต้น